คงตอบคำถามได้แล้วว่าศีลคืออะไรหรือว่าอะไรคือศีลตอบได้แล้วนะาถามว่าอะไรคือศีลเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลแล้วก็ความไม่ก้าวล่วงบาลีเรียกว่าอวิตริกรมะเป็นศีล สี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นศีลทีนี้ที่เรียกว่าเจตนาเป็นศีลเจตนาอย่างไรจึงจะเรียกว่าเจตนาที่เป็นศีลเจตนาของบุคคลผู้ละเวน้นนะจากปานาติบาตเป็นต้นหรือว่าเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติเจตนานี้เป็นเจตนาที่เป็นศีลน เจตนานั้นต้องเป็นกุศลน ะ, ะเจตนาที่เป็นกุศลนั่นแหละเป็นเหตุให้งดเว้นเจตนาที่เป็นกุศลนั่นแหละเป็นเหตุให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติครัวอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วเจตสิกที่เป็นศีลล่ะเจตสิกที่เป็นศีลนั้นได้แก่วีรต 3, ีสามเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสามอย่างนี่แหละเรียกว่า เจตสิกสีนี้ในที่หนึ่งนะอีกในหนึ่งกล่าวว่าเจตนาเป็นศีนั้นได้แก่เจตนาของบุคคลผู้เว้นจากกายทุจริตสวจีทุจริตสีอย่างนี้เรียกว่าเจตนาศีส่วนเจตสิกศีนั้นได้แก่อนาพิชาความไม่โลภอพยาปาทะความไม่โกรธสมาธิทฐิ ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกตรงความเห็นที่ถูกตรงนั้นนับตั้งแต่ความเห็นในระดับเบื้องต้นคือเห็นว่าทานให้แล้วมีผลการรักษาศีลมีผลการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลพ่อแม่มีบุญคุณนะนบาปมีจริงบุญมีจริงบหมนกันเถอะความเห็น พื้นฐานเบื้องต้นเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าเป็นประเภทของเจตสิกสีนพันเจตนาศีนมีสองในเจตสิกสีนก็มีสองหนด้วยกันเห็นไหคงรักษาสีนถูกแล้วนะรักษาสีนรักษาที่ไหนรักษาที่เจตนาและเจตสิกเจตนานี ชัดเจนแล้วนะข้อความคําว่าเจตนาคือความจงใจนะนะแต่ว่าไอ้คว่าเจตนาที่ว่าจงใจนั้นนะ่ะหรือเจตนาคือความจงใจที่ตั้งไว้เฉพาะอารมณ์ <c oughs> เจตนานั้นเป็นธรรมะที่เป็นประธานของสัมปยุตธรรมหรือว่าเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักชวนให้สัมปยุตธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น ให้สัมปยุตธรรมเหล่าอื่นเกิดร่วมด้วยในฐานะที่เป็นประธานนั้นนะนะเจตนานี้ที่จริงแล้วเป็นไปในภูมิสี่นะเจตนาบางอย่างเป็นกา ม, มาวจรเจตนาบางอย่างเป็นรูปาวจรเจตนาบางอย่างเป็นอรูปาวจรเจตนาบางอย่างเป็นโลกุตระหรือว่าเจตนาเป็นกุศล เจตนาที่เป็นอกุศลเจตนาที่เป็นวิบากเจตนาที่เป็นกิริยาในที่นี้เอาอย่างเดียวคือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเพราะว่าเจตนาที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้นะหรือว่าใครประพฤติเจตนาที่เป็นอกุศลมากๆแล้วเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้นั่นเองฮัหเจตนาที่เป็นไปเพื่อ ความบริสุทธิ์เนี่ยนะเจตนาที่เป็นวิสุทธิมัชเนี่ยนะเจตนาที่เป็นมักเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้นเจตนาอนนั้นต้องเป็นเจตนาที่เป็นไปกับกุศลอย่างเดียวคําว่ากุศลนั้นเป็นความฉลาดความไม่มีโทษนะทีนีน้มาขึ้นในหัวข้อต่อไปเลยว่าอะไรศีลสังวรศีล น, นะ ในหน้า22นะนับลงมาประมาณสี่บรรทัดคำว่าสังวรก็เป็นศีลเนนะนี้บัณฑิตเพิ่งทราบสังวรโดยประการหหรือว่าสังวร5ประการคำว่าสังวรก่อนนะเป็นคำที่น่าสนใจคำว่าสังวรนั้นแปลว่าการปิด การระวังการสำรวมไทยๆเราจะแปลว่าสำรวมคำว่าสำรวมหรือปิดหมายถึงการปิดโดยประการที่อากุศลธรรมทั้งหลายยังลงในจิตในใจไม่ได้นะคนสังวรคือคนอย่างไรคนสำรวมคือคนอย่างไรก็คือคนที่ไม่เปิดให้อากุศลจิตเกิดขึ้นนี่เรียกว่าคนสังวรคนสารวมถ้าหากว่าอากุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่าไม่สังวร ไม่สํารวมแล้วละ่ะเพราะว่าสังวร น, นี้เป็นเชื่อของธรรมะที่ไม่มีโทษสิ่งที่ไม่มีโทษก็คือกุศลเพราะฉะนั้นสังวรที่ถูกต้องนั้นความสังวรคือกุศลอย่างเดียว น, นะแล้วก็ถ้าสังวรจริงๆต้องปิดกัน้นอกุศลได้ังนั้นสังวรห้าอย่างเนี่ยนะคือหนึ่งปฏิโมขสังวรสองสติสังวร 3. ญยานะสังวรหรือปัญญานั่นเอง 4. ขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรนะคาว่าสติสังวรนั้นก็คืออินทรีสังวรนั่นแหละนะเพียงแต่อีกชื่อนหนึ่งน ะ, ะสตินั้นเน้นไปที่กุศลธรรมถ้าอินทรีสังวรเน้นไปที่ทวารนะเพียงแต่ว่าต่างกันโดย การใช้คําแต่เนื้อหาความหมายมุ่งไปที่สติเหมือนกันเนีย่ยนะมุ่งไปที่กุศลเหมือนกันอันการสติสังวรก็คือสติที่สังวรธรรมะทั้งหลายเรียกว่าสังวรทวาร ท, ท, นะทั้งหลายมีใจเป็นที่6กเยได้ยินนะถ้าทวารทั้งหลายมีใจเป็นที่6นะเอา6มาพูดเลยแสดงว่า1น่งถึงหล่ะหถึงหได้แก่อะไร1นึ่ถึงห้าได้แก่ตานี้นับหนึ่ง หูนับสองจมูกนับ3ามลิ้นนับ4ี่กายนับห้าสํารวมใจเป็นที่หก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใจนี่อยู่ที่ข้อหนะแล้วก็ญาณสังวรก็คือปัญญาปัญญาก็คือความรู้โ ด, โดยประการต่างๆเรียกว่าปัญญานะญาณนะปัญญาญาณ น, นี้ไม่ต่างกันโดยความหมายปัญญาอันใดญาณนะก็อันนั้นคนหลายเชื่อนะเป็นได้ไหม เป็นได้นะปัญญากับยานะ น, นี่ก็สภาวะของเขาก็คือสภาวะที่รู้สภาวะที่ไม่หลงลืมนั่นแหละต่อไปขันติสังวรนั้นก็คือธรรมะทั้งหลายหรือขันธ์ทั้งหลายที่มีอะโทสะเป็นประธานอะโทสะเจตสิกนั่นนะถ้าใช้คำว่าอะโทสะเจตสิกนี้ค่อนข้างกว้างขวางเพราะว่าอะโทสะเจตสิกเกิดร่วมกับกุศลจิต วิบากจิตและกิริยาจิตแต่ถ้าใช้คำว่าเมตตาเกิดร่วมกับภูษณ์อย่างเดียวเมตตาเกิดร่วมกับกิริยาด้วยนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าเมตตานั้นล็อกอารมณ์นะคือล็อกว่าต้องเป็นสุปิยมนาปสนะัสัตนะสัตว์เป็นที่รักที่ชอบใจถ้าใช้คำว่าเมตตาก็ต้องมีสัตว์เป็นอารมณ์สัตว์นั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ สุขิตสัตสน์นั้นเป็นอารมณ์ของมุทิต า, านะถ้าทุกขิตสัตส์เป็นอารมณ์ของกรุณานะเพราะฉะนั้นปิยามนาปะสัตว์สัตว์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจปิยะนี้แปลว่าที่รักมนาปะที่เจริญใจผู้ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจลักษณะนั้นแหละเป็นอารมณ์ของเมตตา แต่ก็ต้องไปแยกเอคิดถึงคนที่เจริญใจให้มากๆ ก, ก็ต้องดูนะไม่ใช่ใจโลภะนะมันโลภะไม่ต้องเจริญนะปกติมันเกิดอยู่แล้วนะเพราะป ก, ปกติเราจะคิดถึงักคนที่เราชอบใจอยู่แล้วเนี่ยนะด้วยอำนาจของโลภะอ่าอย่างนั้นไม่เป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นอะโทสะนั้นเป็นกุศลธรรมเนี่ยนะซึ่งกุศลในตรงนี้มุ่งไปที่ศีล ถ้าอโทสะที่มีสัตว์เป็นอารมณ์นั้นเจริญได้ใช่ไหมพัฒนาได้ก็จะกลายเป็นภาวนาแล้วก็เป็นพรหมวิหารไปพะะนันตัวอโทสะคือความไม่โกรธนั่นแหละไอตัวสภาวะที่ไม่โกรธอันนั้นแหละเป็นขันติสังวรเพราะฉะนั้นคนที่มีความอดทนมีน้ำอดน้ำทนจริงๆก็คือคนไม่น่าเบ้นนะก็ว่าคนน้าเบ้นเนี่ยคือจิตตชรูปที่เกิดจากโทสะ หน้าบุยหน้าเบหน้าส็ำนวนไทยมนะบอกบุญไม่ค่อยรับอ่ะ น, นะทั้งฝืดทั้งเคืองโอ้สารพัดนั่นแหละไม่มีอะไรน่าชื่นใจสักอย่างหรือว่าถ้าโทสะนะอาการของเขาถ้าเราอยากจะเห็นชัดอีกอย่างหนึ่งนะไอสภาพจิตที่มันแห้งแล้งอะ่ะนั่นแหละโทสะคือถ้าหากว่าพวกโลภะนะถ้าโลภะที่เป็นสมณมันจะมีปีติเกิดร่วมด้วย ปีติเนี่ยมันก็เหมือนกันน้ำใช่ไหมมันทำให้ชุ่มชื้นหรือว่ามาหากุศลที่เป็นเมตตาเนี่ยจิตใจก็จะเชิญขึ้นมาแต่ถ้าเป็นโทสะเนี่ยนะสภาพทางจิตมันแห้งแรง น, นะอนลักษณะนั่นแหละโทสะถ้าเป็นฤดูเนี่ยนะเทียบโทสะก็เหมือนกับฤดูร้อนอนะ่ะเนอะมันแห้งแรงโอ้ยร้อนจริงๆเลยนะสภาพจิตที่เร่าร้อนแบบนั้นแหละเรียกว่าอาการของโทสะ โทสะนั้นธรรมะที่จะละโทสะได้ก็คืออะโทสะอะโทสะอันนี้แหละเรียกว่าขันติหรือถ้าหากว่าประสงค์ไปที่พรหมิหารก็ได้แก่เมตตาแต่ถ้าอะโทสะที่เป็นศีเนี่ยกว้างกว้างกว่าเมตตาต่อไปก็วิริยะสังวรวิริยะสังวรนั้นก็คือความเพียรที่เป็นไปเนื่องด้วยการบันเทา อกุศลวิตกทั้งหลายจึงจะเชื่อว่าวิริยะสังวรถามว่าคนขยันคือคนยังไงไม่นั่งนิ่งๆเลยใช่ไหมจับไปโน่นทําไปนี่โอ้โหทำแค่แตกบ้างเช็ดถูล้างอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าคนขยันหรือเปล่าไม่แน่นะคำว่าขยันในที่นี้ได้แก่คนที่เพียรกําจัดอกุศลวิตกทั้งหลายสมมุติถ้าหากว่าปล่อยให้ความคิดที่เป็นบาปเกิดขึ้น เพียรกำจัดอกุศลไอความคิดที่เป็นบาปเหล่านั้นออกไปเพียรระวังยังไงจะไม่ให้ออกุศลที่เป็นบาปเหล่านี้เกิดขึ้นเพียรอย่างไรที่จะเจริญกุศลแลรทำให้มากขึ้นลักษณะความเพียรแบบนี้เรียกว่าคนมีความเพียรความเพียรที่เป็นศีลเนี่ยนะความเพียรที่เป็นวิสุทธิมรรคเหนกันความเพียรที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยความเพียรลักษณะนี้แหละเรียกว่าวิริยะสังวร ทีนี้อธิบายโดยพิสา น, นะว่าในสังวรหประการนั้นสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยปาติโมคขสังวรดังนี้ชื่อว่าปาติโมคขสังวรในเรื่องของปาติโมคสังวรนั้นเราจะพูดกันละเอียดจริงๆก็ในหน้าห้าสิบสามนะพอเลยไปถึงหน้าห้าสิบสามแล้วเนี่ย เมื่อนั้นแหละเราจะได้พูดถึงเรื่องของปาติโมกสังบรโดยละเอียดพอสมควรเนี่ยนะปาติโมกนั้นส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะยกตัวอย่างถ้าเป็นคารวะก็ศีลหอย่างเงี้ยนะเรียกว่าปาติโมกของคารวะาไปถ้าเป็นของพระภิกษุนก็คือพวกปาราชิกสี่สังคาที่ส13สามนิยตสองนิสกิยะปาจิตีสา30ปาจิตี92ปฏิเทศนิยะสี่ เศรษฐวัตร75อธิกรณสมถะอีก7นะนะที่เอามาสวดทุกๆก่งเดือนเนะี่ยเขาเรียกว่าปาติโมทีนี้คำว่าสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุย่อมรักษาจาักขุน4ีย่อมถึงความสำรวมในจักขุนศีดังนี้ชื่อว่าสติสังวรแม้แต่สติสังวรนี้ก็จะไปอธิบายอีกครั้งที่หน้า53มเหมือนกันเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะพูด ปาติโมกขสังวรกับสติสังวรโดยละเอียดทีนี้กล่าวต่อไปว่าสังวรที่ตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอาชิตะมานอบวานีน่เนอชิตะกระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกลางกั้นกระแสเหล่านั้นเราขอกล่าวถึงเครื่องป้องกันเครื่องป้องกันคือคาว่าสังวรเ น, นี่ยนะกระแสทั้งหลายว่า กระแสะเหล่านั้นอันบุคคลเพิ่งตัดเสียได้ด้วยปัญญานะกระแสะที่จะถูกตัดได้ขาดจริงๆนั้นจะต้องใช้ปัญญานี้เป็นเครื่องตัดขาดอย่างนี้ชื่อว่าญาณสังวรญาณสังวรคาถานี้นะเราก็ควรที่จะฟังที่มาโดยพิสดารพอสมควรเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดความเข้าใจของคำว่าญาณสังวรนะในสังวรหคือสังวรข้อที่ส นนะคือญานะสังวรข้อความในจูลนิเทศนะจูลนิเทศถ้าฉบับ91้าบเอดเล่มเราเนี่ยนะอยู่ในเล่มหกสิบเจ็ดเรื่องแรกเลยฉบับห1สเอ็ดเล่มนี้อยู่เล่มห7สิบเจ็ดหสิบเจ็ดเจนพาข้ อ, ขอคือคาถาคำถามที่สองนะถ้าหากว่าฉบับ สี่บห้าเล่มอยู่เล่มที่สามสิบนะ <c oughs> คือท่านพระชิตะมานพเนี่ยถามเข้าไปถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคคำถามแรกเขาถามว่ า, าโลกอันอะไรเล่าหุ้มห่อไว้นะ น, นะโลกอันอะไรหุ้มหอ่อเหมงอนกันเถอะโลกไหนอะโลกคือชีวิตของพวกเรานี่แหละอะไรห่อหุ้มไว้หุ้มห่อไว้ เ, เพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใสเหมือนกันเถอะ โลกมันไม่สดใสมันมืดมิดเพราะอะไร่างนั้นขอพระองค์โปรตดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องชาบทาโลกนั้นไว้อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกแต่พูดเรองก็ตรัสตอบว่าโลกนี้อนาวิชาหุ้มห่อไวอนนะโลกไม่สดใสเพราะความตณีและความประมาท น, นะแล้วก็เราเรียกความอยากหรือตัณหาว่าเป็นเครื่องชาบทาโลกเอาไวทุก เป็นภัยใหญ่ของโลกนะนะพระองค์ก็ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้ไปทำไมนะโลกนี้อนุวิชานี่หุ้ม ห, อหมนะ่อไว้นะอนุวิชานี่เป็นเครื่องหุ้มหอ่อถ้าพูดถึงไข่นะถ้าพูดถึงไข่เนี่ยลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่นะในกระปาอไข่อะ่ะสัตว์โลกก็เหมือนกับลูกไข่อะ่ะลูกไก่นะไม่ใช่ลูกไข่ นะส่วนไอฟองเนี่ยเหมือนกับอวิชาของอนัันเถอะเพราะฉะนั้นโลกมันถูกห่อหุ้มปกปิดไว้แล้วก็โลกไม่สดใสเห็นไมไม่สดใสนี่แปลว่ามันเศร้าหมองใช่ไหมโลกนี่เศร้าหมองไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทความตรนีและความประามานี่ทำให้โลกไม่สดใสตหมืนันเนี่ยตัณหานี้เป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ฉาบทา ถ้าหากว่าพูดตามสังยุตติกายก็คื อ, อสัตว์ทั้งหลายมีตันหาเนี่ยมีอวิชาเป็นเครื่องกางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้นะแต่ตรงนี้ท่านไม่ใช้คำว่าประกอบนะท่านใช้คาว่าฉาบทาตันหานี่เป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นก็พูดอีกในหนึ่งนะก็พวกเราก็เหมือนกับ อวิชาก็เหมือนกับผ้าปิดตานะปิดตาแล้วก็ให้เลียน้ําผึ้งหวานๆที่ไหนที่ปลายมีดโกนเนาะนะอวิชานี่ก็เหมือนกับถูกปิดตาไว้นะอตันหาก็เหมือนกับน้าผึ้งที่ฉาบไหลไว้นั่นแหละส่วนทุกขก็เหมือนกับคมมีดโกนที่มันบาดมันกรีดไปอลักษณะนั้นน่ะนะทีนี้คําถามที่สอง คำถามที่สองว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงสวันติสัพพิโสตานี่นะกระแสทั้งหลายย่อมไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้เนไหมทีนี้มาฟังคําอธิบายคําถามว่า กระแสทั้งหลายในโลกเนี่ยนะกระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงคําว่ากระแสกระแสคือตันหาอย่างหนึ่งกระแสคือทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยนะกระแสคือกิเลสกระแสคือทุจริตและกระแสคือวิชานะพวกเราทั้งหลายนี้ตกอยู่ในกระแส5้าอย่างเหล่านี้นะกระแสตันหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสและทุจริต อวิชชาเพราะว่ากระแสที่ที่เกิดขึ้นคือตันหาทิฏกิเลสทุจริญอวิชชานี่ย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวงเห็นไหมตันหาเนี่ยนะย่อมไหลไปซ่านไปหลังไปอธิบายว่ากระแสจากตาย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลไปในรูปที่ ด, ดูนะ ตันหาจากตาเนี่ยนะตันหาที่จากตาก็ไหลไปเพื่อที่จะดูภาพใช่ไหมเพื่อที่จะดูสีกระแสคือตันหาถ้าไหลไปทางหูเนี่ยเพื่อฟังเสียงถ้ากระแสตันหาที่ไหลไปทางจมูกเพื่อรู้กลิ่นกระแสตันหาที่ไหลไปทางลิ้นเพื่อรับรู้รสกระแสตันหาที่ไหลไปทางกายเพื่อรับรู้รับกระทบสัมผัสเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยนะ หรือถ้าหากว่ากระแสตัณหาที่ไหลไปจากทางใจก็เพื่อที่จะรับรู้ธรรมรมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเอกกระแสเหล่านี้เนี่ยไหลไปซ่านไปแล้วก็หลังไปหรือว่ารูปตัณหาตัณหาที่ยินดีในรูปเนี่ยนะย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลไปเป็นไปทางตาเขาบอกว่าตัณหาถ้ายินดีในสีเนี่ยนะต้องอาศัยตาใช่ไหม ทีแรกว่าเอาเอ า, เอาตัญหาที่เกิดจากทางตามาที่บายตอนหลังเอาตัญหาที่เกิดในสีว่าไอ้ตันหาที่เกิดในสีในรูปเนี่ยนะก็ต้องอาศัยตานั่นแหละเกิดขึ้น